ก็มีหลายๆแห่งนในประเทศไทยเนี่ยที่ที่เขาเดือดร้อนก็ไม่ใช่น้อยอย่างตอนนี้น้ําท่วมหลายแห่งไงถามว่าเดือดร้อนขนาดไหนมียมคนหนึ่งก็มีฐานะหน่อยนะเคยมีความสุขสบายพอน้ําท่วมบ้านเข้านะรู้เลยว่าความเดือดร้อนมันเป็นยังไงไอความไม่มีนี่มันเป็นยังไงถึงจะมีข้าวมีอะไรถ้าน้ําท่วมหมดทําไมสมมทิถ้าฉางข้าวนะถ้ามีเราปกติเรามีข้าวอยู่หลายกวยนอย่างเงี้ยเต็มบ้านไปหมดเลยแล้วน้ําท่วมหมดแล้วข้าวมันแช่น้ำสามวันนะี อะไรจะเกิดขึ้นก็เตรียมจะงอกงอกเลยหมายถึงเสียเลยเนี่ยนะเสียเลยเก็บไว้ก็ชักลําบากแล้วงนั้นก็จะทุกข์ใจขนาดไหนเนี่ยนะจจะกินเลยก็มันกินไม่หมดเนี่ยนะนับว่าเนี่ยแหละโทษของปากของท้องมีขันห้าอะไอย่างเงี้ยผมไม่เต็มจริงๆนัทวานตาเนี่ยให้ดูซะให้พอก็ไม่มีพอถมไม่เต็มมันมีภัยอยู่รอบด้านนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยพร้อมที่จะเห็นสารพัดภัยพร้อมที่ไดจะได้ยินสารพัดภัย พร้อมที่จะยินในสิ่งที่ไม่ควรได้ยินอ น, นัตวางายร่างกายของเราพร้อมที่จะเจ็บป่วยสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยสารพัชนิดที่จะพึงมีขึ้นดการศึกษาพระธรรมเนี่ยทําให้เรารู้เลยว่าวัฏตะนี้เป็นเป็นภัยทีนี้การออกจากวัตฏะนี้ของพระพุทธศาสนามไม่ใช่หลีกไปหาดินแดนแห่งใดแห่งหนึ่งใช่ไหมแต่หมายถึงว่าตักชันทราคะในสิ่งเหล่านี้เอา้าเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีภัย ทำไมเราไม่หาทางออกกันละ่ะถ้าบางคนฟังไม่ดีจะต้องไปทำเนื้อเลยใช่ไหมทำไมเราไม่รีบไปหาทางออกบอกทําไงพากันนั่งหลับตาเลยออกได้ไหมขนาดลืมตายังยังไม่ค่อยจะออกเลยนะแล้วหลับเลย <c oughs> หลับกันลืมตามันก็ไม่ได้เกี่ยวเรามันเกี่ยวที่สมถะหรือิปัสนาแค่นั้นแหละแล้วพิปัสนาเนี่แหละเรียกว่าการเห็นภายในวัตตะถ้านั่งหลับตาแล้วเห็นภายในวัฏตะ เห็นคุณของวิวัตะก็นั่งหลับไปเธอแต่ถ้านั่งลืมตาแล้วเห็นโทษของวัตะเห็นคุณของวิวัตะก็ลืมตาเนี่ยนะนะอย่าไปถือเอาตาเป็นประมาณเลยแล้วก็อย่าไปถือเอาอิริยาบถเป็นประมาณนะแต่ถามว่าอิริยาบถไหนสั ป, ปายะก็พิจารณาเอาจะเอาคนป่วยมาจับคนป่วยมานั่งสมาธิอะไรจะเกิดขึ้นนะหลังก็ไม่ไดีอยู่แล้วชนะจับให้มานั่งขัดสมาอยู่นั่นแหละอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็หลังเขาหักใครรับผิดชอบ นี่มีบางแห่งก็จัดฟังธรรมจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยนะานั่งสมาธิพอออกจากกรรมฐานสองาวันเนี่ยนะโอยเข้าโรงพยาบาลเลย <c oughs> ก็ไอตอนไม่ปฏิบัติก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่ต้องเดือดร้อนหมอ <c oughs> หลังจากปฏิบัติผ่านไปก็เข้าโรงพยาบาลเนี <c oughs> ่ยนะพันธหากว่าไม่รู้จักสปายะของตัวเองอย่างแท้จริงนี่ก็แทนที่จะดีนี่กลายเป็นเรื่องเสียหายเนพนธทำความเข้าใจให้เพียงพอ ว่าการศึกการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเนี่ยคือการเพ่งโทษของวตะเห็นโทษของวัตะเท่าที่จะเห็นได้อ น, นั่นเป็นเป็นปริญญาธรรมนะเป็นการเข้าไปกำหนดรู้ปริวัตะทีนี้การกำหนดรู้ก็อย่างว่าเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยเป็นการชั่งว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้ปลอดภัยนะเมื่อไหรน่น้อเราจะเห็นว่าการเห็นเนี่ยเป็นภัย ถ้าเลิกเห็นเนี่ยปลอดภัยถ้าไม่มีการเห็นเนี่ยปลอดภัยแต่สัตว์ทั้งหลายที่ทําปริญญามาไม่ดีอ้างั้นเราก็หายไปเลยสิมันอดเอาเราเข้าไปแปะไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้ของเราก็หายไปหมดเลยสิเกิดอย่างนั้นไหมอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณเอาไหนเป็นเราเห็นไหมท่านเห็นตาโดยความเป็นเราหรือเห็นตาเป็นของเราหรือไม่ใช่เอาแล้วถ้าตามมันหายไปแล้วใครหายล่ะ ก็ตาที่เป็นวัตถุแห่งทุกข์ทั้งการชั่งให้ครควรพวกนี้มั น, นเย็บคายมากๆเพราะคนที่พิจารณาไปไม่ดีเนี่ยนะยิ่งไม่เห็นคุณของวิวัตตาด้วยแล้วเนี่ยค่อนข้างาเดือดร้อนถ้าฉันนะเนี่ยเจริญนิพพสนาไปสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราเออสัพเพธรรมานตาคิดอยู่อย่างนี้แกไม่กําหนดปัจจัยหรอกงั้นเราก็ศูนย์สิกลัวตัวเองศูนย์มากเลยนะตกใจเลยนะเจริญไปเจริญมาเหมือนกับตกเหวเลยนะ เฮนี่เราศูนย์สิเนี่ยก็เลยไปหาท่านนลท่านนลก็แสดงธรรมให้ฟังตอนหลังท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านถ้าพิจารณาไม่ดีๆไม่ดีเพียงพอนะการมามองนะเอนี่ยเฮ้ยเนี่ยนะถ้าไม่เกิดเสียดายการเกิดหน้าด้วยนะถ้าไม่ได้เกิดก็อดเที่ยวเองอ่บางคนก็อย่างนั้นบางคนก็ที่เขาว่ากันนะสวรรค์เนี่ยเมียนั่นเมียนี่อย่างที่ตัวเองถามหาไหมแล้วพระนิพานเนี่ยยิ่งไม่มีวัฏตักรเลยแนมะ้แต่สวรรค์ก็ยังไม่มีเลยนะ แม้แต่การมคุณก็ยังไม่มีเลยเอ๊ะถ้าดับการมาคุณนี่มันมันเป็นยังไงทั้นผู้ที่ออกจากวัตตนนั้นจึงมีเป็นผู้สั่งสมบูรณ์ไว้แล้วจริงๆเป็นผู้สั่งสมบูรณ์มาที่จะเห็นโทษพอเห็นบุญเอสั่งสมบูรณ์มาพอที่จะเบื่อหน่ายในวัตต์จนเห็นแม้กระทั่งความเกิดนี่เป็นเป็นภัยทําไมจึงเป็นภัยรู้ไวมชาติทําไมจึงเป็นภัยเพราะสารพัดภัยน่ะเกิดมาจากชาติ เพราะถ้าเรามองเห็นเด็กปั๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาต้องมารับอะไรบ้างในชาตินี่นะนึกเห็นใจไหมนึกเห็นใจเด็กๆไหมยอย่างเราเนี่ยมองเห็นยิ่งความวิจิตของโลกเท่าไหร่นะเด็กยุคใหม่ต้องมาเรียนไอ้สิ่งที่บรรพบุรุษทําไว้ทั้งหมดนะสิ่งที่บรรพบรุษรุ่นก่อนๆทําอะไรไว้นะสังสมความรู้มากี่สิบปีกี่ร้อยปีมาแล้วเด็กรุ่นใหม่ต้องมาเรียนทั้งหมดอย่างที่เขาว่าบางคนเนี่ยเรียนจบปั๊บบ้าเลยนะ ก็หลายคนเนี่ยเพี้ยนเลยจริงๆบางคนเนี่ยทำํทำป ร, ริญญาอยู่เนี่ยเพี้ยนเลยก็มีนะทั้งก็ที่เป็นอย่างนี้ถามว่าเพราะอะไรเนี่ยคือข้อมูลของโลกเนี่ยมันขนาดนี้เพราะจะต้องไปรับรู้อะนะสรปว่าความคิดบ้าบๆบวมๆของใครก็ต้องเราต้องไปรับรู้ทั้งหมดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นความรู้ของมิจฉาทิฏฐิบุคคลเราต้องไปส่องเซไปรับโอ้ยทำใจมันรับไม่ได้หรอนะก็พเพี้ยนเลยนะแล้วถามว่ายุคนี้โรคจิตเยอะไหม ไม่ใช่น้อยเลยนะเราก็คุยไปคุยมาเราก็นึกว่าเขาเต็มเต็มอยู่นะที่ไหนได้มีหน้าเราคุยกันอยู่นานไม่รู้เรื่องนะนะรู้แล้วว่างั้นอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็สุรามันก็ขายดีด้วยนะไอ้คนดีๆอยู่ก็ไปหาเรื่องไม่ค่อยเต็ ม, มอีกแล้วนะหาเหตุแห่งความเป็นบ้ามาเรื่อยเพ้ามานี่ไปที่ไหนนะต้องเจอแล้วคนคนะึ่งทาบุญนะทำกรรมอะไรมากเนาะ <c oughs> วัต่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ก็ไม่ไม่มีความปลอดภัยเลยนะเกิดมามาเรียนดูวัตถุดิบในโลกนี้ที่เขาผลิตเอาไว้ฉะนั้นการการแสดงวิปัสนาเนี่ยนะขอมาชอบจะคิดแบบคำสอนเนี่ยง่ายดีไม่มีอะไรยากเลยเนี่ยนะคงตลาวว่าอะไรเนี่ยอย่างพินโยยายนิเทศจักขู่ควรรู้ยิ่งสีควรรู้ยิ่ง จากขูวิญญาณควรรู้ยิ่งจากขูสัมผัสควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเพราะจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งเนื้อทวารตามมันก็มีเท่านี้ทวารหูหูควรรู้ยิ่งเสียงควรรู้ยิ่งโสตวิญญาณควรรู้ยิ่งโสตสัมผัสควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยควรรู้ยิ่ง อันนี้คือการวิเคราะห์รูปนามตามทวารต่างๆวิเคราะห์ขันห้าตามทวารต่างๆแล้วจักโขโคเนี่ยนะจักโขโคเกิดจากปัจจัยเนี่ยนะแล้วอะไรคือปัจจัยแห่งจกักรโคล่ะก็มหาพูดเป็นปัจจัยแห่งจกักรโคนะมหาพูดที่มีกรรมเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่งจกักขโคแล้วสีที่เห็นก็เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัย แล้วอะไรคือปัจจัยของสีก็ต้องดูว่าสีนั้นเป็นกรร ม, มะชะรูปอุตตูชรูปจิตตชรูปหรืออาหารชรูปแม้แต่สีหน้าเนะ่เห็นสีหน้าแล้วแต่จนะคิดเนี่ยแล้วแต่มนสิการเห็นรูปไหนมันก็เป็นรูปนั้นหระมนสิการโดยกรร ม, มชรูปไอ้หน้าไม่มีใครเหมือนกันเลยไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนอันนี้กรร ม, มชรูปในหน้าคนเดียวกันนี่ยถ้าจิตตชรูปเป็นยังไงเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หกเดี๋ยวก็บานเดี๋ยวก็หกเนี่ยนะเหมือนดอกอะไรสักอย่าง เดี๋ยวก็ยอมก็ปักดอกบัวเป็นพุทธบูชานะก็มีดอกหนึ่งนะเขามีหนึ่งดอกบัวบานดอกบัวตูมแล้วก็ดอกบัวเหี่ยวดอกบัวเฉาเขาบอกงั้นไอ้นะเขามีนะก็ปักก็ปักดอกบัวสามดอกเขาบองั้นนี่ไงเขาบอกว่าดอกบัวตูมดอกบัวบานแล้วก็ดอกบัวเหี่ยวเขาบองั้นดอกบัวเฉาก็ดอกบัวเฉาก็เขาเอากลีบลงหมดเลย ดอกบัวตูงก็บกรีบขึ้นนะบัวบานก็กรีบมันบานบางก็ดอกบัวดอกบัวดอกบัวโรยนะั่นเขาก็เอากรีบหย่อนลงหมดกันนะเขาเขาเห็นไตรลักษณ์สามเขาอะไรเขาคอมเมนตามดอกบัวสามประเภทเหมือนั้นนะหน้าของเราทั้งหลายก็ลักษณะกันนะะเขาก็มีวาดรูปเวลาหน้าบานอนะไรวาดรูปแบบอั่นะ <c oughs> วาดแบบลงอ่นะก็ อ, อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็บานเดี๋ยวก็หุบเดี๋ยวก็บานเดี๋ยวก็หุบอย่างนี้แหละ นันเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้อนะแต่ดีว่าโตแล้วก็เลยไม่แสดงอาการร้องไห้ออกมานะเดี๋วก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้อันนี้แหละคืออะไรอะไรรูปจิตตชรูปอาหารชรูปล่ะนี่ยนะก็คิดง่ายๆว่าก่อนอาหารกับหลังอาหารเป็นยังไงถ้าในคิดลักษณะนี้นะถ้ามองแบบคร่าวๆก่อนถ้าอุตูชรูปล่ะตอนอยู่ในร่มกระตากแดดเป็นยังไงมาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้หมดเลยเพรื่องการการไข่ครวนเรื่องพวกนี้เนี่ย ต้องค่ายควรจริ ง, รงๆมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีแล้วนะเออเนี่ยี่รู้สีเออเนี่เป็นอะไรนั่นเป็นอันนี้มันไม่พอหรอกที่จะพ้นทุกข์แล้วความรู้พวกนี้มันเป็นอะไรนะทําความเข้าใจให้พอก็เข้าใจพอแล้วที่เหลือก็คิดตามคําสอนไอ้ที่ยากจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไอ้ที่ยากคือนี่ทุกนี่นะมันเป็นวัตถุแห่งทุกข์ก็ทุกอย่างไงเนะทํายังไงจึงจะเบื่อหน่ายในสิ่งนีน้ เบื่อหน่ายไม่ใช่แกล้งเบื่อนะคือเห็นความน่าเบื่อของสิ่งนั้นและไม่ใช่หลอกตัวเองด้วยแลวก็ไม่ใช่ย้อมจิตตัวเองแต่เป็นการมองถึงสภาพทั้นคนที่จะรู้ว่าเช่นอย่สมมติว่ามองเห็นพื้นตากเก้ยังไงคิดยังไงถึงเรียกว่ามองแล้วเบื่อหน่ายแลวคลายกำนังก็มาคิดว่าเออเนี่ยตากเก่เนี่ยก่อนที่จะมาปูแบบนี้มันคืออะไรก่อนใช่ไหม มันก็คือเศษไม้มาติดๆๆกันแล้วก็มีการขัดแล้วก็ลงเชลกและอายุให้การใช้งานของเชลกเท่าไหร่การเดินขูดไปขูดมาการเช็ดการถูท่าอะไรไปวางสะเทาะขึ้นอะไรขึ้นนะแล้วห้าสิบปีผ่านไปเป็นยังไงเคยมองเห็นพื้นที่ใช้งานมานานๆไหมแล้วก็เริ่มเปิดการเปรียบเทียบนี่นะถ้าจะให้มันเงาได้ขนาดนี้นะถามว่าต้องถูควรวันละกี่ครั้ง น, นะถ้าเปิดประตูหน้าต่างไว้ตลอดนะ รูปปั๊บอะไรเกิดขึ้นดำเลยนะถามว่าเป็นภาระในการดูแลไหมทุ้การไปเห็นพุทธมณฑลก็บอกที่ท่านเห็นสวยๆนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะนะไม่มีใบไม้ตกให้เห็นเนี่ยมันมันธรรมดาไม่หรอนะมันมันถามว่ามันเป็นภาระสักเท่าไหร่ยิ่งสวนสนามนะั้นไม่ตัดหญ้าสัก3าอาทิตย์ดูนะแล้วไม่ดูแลปีเดียวนะตรงนั้นเนะี่ยคือป่าดีๆนี่แหละไม่ใช่อะไร นะย่าที่ว่ามัน ง, งามๆตรงนั้นนะถ้าไม่มีการตัดการแต่งการดูแลนะก็คือป่าดีๆนี่แหละเราสังเกตดูบ้านที่ไม่มีใครอยู่สภาพเขาเป็นยังไงถ้าไม่ยิ่งไม่อยู่นานๆเลยนะต่อไปเขาจะเป็นยังไงแล้วถามว่าถ้าต้องอยู่ดูแลเนี่ยถามว่าค่าดูแลมันแค่ไหนการบำรุงรักษาขนาดไหนทีนี้การแม้กระทั่งวัดจ้างคนมาดูแลเขาก็ไม่ได้ดูแลแบบเราเร า, เราอยากให้เป็น แล้วก็ต้องไปคอยจ้าจี่จ้ำชัยคอยไปเครียดวิตกกังวลกับเขาดีไม่นี่ก็จะไปป่วยกับเรื่องไม่ควรป่วยเลยคนนี้พราะมันมันนี้นี่เรื่องเดียวนะแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกจะรู้โอ้มันเป็นภาระจริงๆเนี่ยนะก็ถามว่าภาระที่ต้องมีสิ่งนั้นเพราะอะไรก็เพราะเรามีขันธ์มามีตาเนี่ยมันจึงต้องเนี้ยจริงๆอ่ะนะสีก็เป็นของร้อนอะ่ะเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตาเรามันก็ร้อนกว่าอกีกถ้าไม่มีตามันก็ไม่เห็นสีแหละแล้วตามีเพราะอะไรมีหนอ ก็เพราะมหาภูตรูปมีแล้วมหาภูตรูปมีอะไรเป็นปัจจัยหนอก็เพราะกรรมกรรมมีอะไรเป็นปัจจัยหนอะอวิชชาที่เป็นอย่างนี้นะเพราะเราไม่เห็นจักขู่จักขูสมุ ท, ทยัยจักขู่นิโรดดังที่พระองค์แสดงจักขู่นี้เป็นทุกข์เหมนะีเป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆเลยนะใครไม่เคยปวดตาบ้างเดี๋ยวช่วงปักผ้า น, น่าจะเป็นกันมากใหมวยนี่เริ่มรู้แล้วนะตานี่จักขู่ตาเป็นของร้อนเนี่ยนะมันร้อนเผาจริงๆเลยนะ ก็ต้องโยมก็เล่าว่านี่ต้องเอาน้ําแข็งมาประครบเขาว่างั้น <c oughs> ก็ใครใช้ตามากๆอ่ะน้ําแข็งมาประครบหน่อยนะน้ำเย็นมาประครบหน่อยจะช่วยเยอะในนั้นมันร้อนมากเลยแหละตาเนี่ยเพราะนั้นตาเป็นของร้อนเนี่ยนะนี่ร้อนแบบวัดอุณหภูมิได้เลยนะ <c oughs> แล้วร้อนเพราะไฟคือราค่าล่ะนะเพื่อจะดูเนี่ยถามว่าเลือดร้อนขนาดไหน